พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าปัจจัยจากชุมชนออกไปก็เพื่อชุมชนวันนี้นับว่า เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสาหรับวัดป่าบ้านห้ยวยซวกของพวกเราวัดป่าอุดรมยานะสัมปันโนวัดป่าอุดรมยานะสัมปันโนคือชื่อของนามชา ย, ยาขององค์หลวงตาเป็นสิริเป็นมงคลที่พวกเราได้มาร่วมกันอทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างที่พักพาใสัยของฝ่ายอุบาสิกา ยังขาดตุกบกพ่องอยู่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของคณะทายาติโยม่ายอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ในวัดแห่งนี้นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันนี้เป็นวันที่11กรกฎาคมพทศศคุทธศักราช2559พวกเราพวกเราคณะทายาติโยมได้รวบรวมจตุปัจจัยในวันนี้ ได้ปัจจัยทั้งหมดห้าห้แสนแปหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตังค์เออใได้บุญมากๆากได้บุญเออทุกๆคข น, นะอย่างที่โคศกได้กล่าวคำถวายทานนะถ้าว่าท่านผู้ใดญาติโกโหติกาของเราในอดีตชาติปัจจุบันนชาติ ถ้หาว่าตกทุกขได้ยากยังไงก็ขอให้พ้นจากทกถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศจะรเสริญสุขปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาอย่าได้มีอุปสรรคในการดํารงชีวิตในการดําเนินชีวิตของพวกเราให้ชีวิตของพวกเราราบรื่นไปด้วยดีทุกๆท่านนะ แล้วก็วันนี้เมื่อผ้าพปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อจะได้จะไม่ได้เดินทางกลับวัดคงจะเดินทางต่อไปอีกลงไปทางโน้นาทางจังหวัดมุกดาหารถ้าว่าเป็นไปได้หลวงพ่อเขาคงจะไปทาง เ, เพราะว่าเป็นห่วงหรือว่ายังคิดถึงเจดีของหลวงตาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ถ้าว่าเป็นไปได้หลวงพ่อเขาคงจะแวะเวียนไปกราบเจดีหลวง ตาที่จังหวัดร้อยเอ็ดพอนานแล้วไม่ได้ไปเพราะนะ่าไม่ได้ไข่ได้ไปทางมุกดาหาร <c oughs> แต่คราวนี้ได้ไปทางนู้นล้วก็คงถ้ามีโอกาสนะคงจะแวะเวียนเข้าไปกราพระเจดีย์ขององค์หลวงตาจากนั้นก็คงจะไปที่นิคมคําส้อยไปนี่แหละในละแวกที่วัดหลวงปู่ล่าวัดหลวงปู่จามผูจอกก้อนะคงจะไปพักที่นิคมคําสร้อยวันในคืนนี้นะ แล้วก็เพื่อจะได้พบกับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานพอเราไปล้าก็ไปกลับเลยก็ยังไงอยู่เพราะจวนจะเข้าพรรษาแล้วน่าจะได้พบกับลูกลูกห ล, ลานๆนคณะัตยาญาติโยมลูกหลานทางฝ่ายทางนน้นบ้างและก็พร้อมกันก็อยากจะากขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขึ้นดูเจดีเดี๋ยวนี้คณะในช่างออในช่างวานิชก็ให้ช่างมาซ่อม เจดีเลเจดีของหลวงปู่ล่านะอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่สร้างมาเนี่ยซ่อมเจดีตั้งแต่ปี37มเจ็มาถึงปีนี้ก็ซ่อมที่แรกก็ซ่อมข้างบนต่อมาก็ซ่อมทางฐานข้างลากแต่เดี๋ยวนี้กําลังซ่อมอแถวแถ ว, แถวกลางๆพระเจดีที่มันโมเสกมันหลุดนะแต่เมื่อ 2- อสาอาทิตย์ที่ผ่านม า, าในช่างก็บอกว่า ได้สั่งโมเสกมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาแล้วท่านอาจารย์จะขอจากท่านอาจารย์เพื่อจะซื้อโมเสกได้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าที่จะซื้อโมเสกสร้างพระเจดีย์่อซ่อมพระเจดีย์ขององคหลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็ได้พูดไว้แต่ที่แรกแ ว, ว่าถ้าว่ามีการซ่อมแซม พระเจดีของหลวงปู่ถ้าหางว่าหลวงพ่อยังไม่ตายหลวงพ่อก็จะรับซ่อมแซมถ้ามีปัญหาเท่าแก่สมหมายก็บอกว่าผมจะรับซ่อมแซมหลวงเจดีของหลวงปู่ถ้าผมยังไม่ตายถ้าหว่าไม่เหลือวิสัยจริงนี่แหละหลวงพ่อก็คงจะได้ไปดูเดี๋ยวนี้กาลังจะซ่อมแต่ทึงยังไงหลวงพ่อก็ได้โอนจะตกปัจจัยให้ กับในช่างไปแล้วน ะ, ะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณไม่ใช่ประมาณละโอนไปให้ส0 0 0 0นส0่0 0นหนอันนี้คือ JT ของหลวงปู่ล่าน ะ, ะที่โอนไปให้แล้วแต่ว่าค่าซ่อมเรีอกว่าค่าอะไรทั้งหมดประมาณล้านกว่ากว่าในช่างเขาพูดอย่างนั้นแต่ค่าแรงก็ในช่างทางนู้นเขาก็จะรับไปแต่ค่าอุปกรณ์อย่างอื่นอีกคงจะมี แต่สรุปแล้วก็ประมาณล้านตนต้นครับหลวงพ่อแต่ว่าขอจากหลวงพ่อไปก่อนทีแรกสี่แสนหกหลวงพ่อก็ได้โอนให้เป็นค่าอุปกรณ์ไปแล้ว น, นี่แหละจะตุปัจจัยที่ได้มาหลงพ่อกัอ น, นสร้างพระเจรีดีแล้วก็พร้อมกันเมื่อไปพักที่วัดไปพักที่นิคมคําสร้อยก็ฉันจังหันที่นิคมคำส้อยวันที่12วันที่13 หลวงพ่อจะมามอบอาคารที่ทานอาหารให้เด็กที่โรงเรียนบ้านน้องสูงตำบลอำเภอหนองสูงนะตัวอำเภอโร ง, งเรียนประจำอำเภอเขาเด็กนักเรียนก็ เ, เกือบพันคนนักเรียนมัธยมแต่ตอนนี้พอเลิกโรงเรียนมาพร้อมกัน เ, เวลาฝนตกมีปัญหาเด็กไม่รู้จะกินข้าวที่ไหนเลยลงเลี้ยงอาหารไม่เพียงพอ เขาก็เลยมาขอหลวงพ่อมาสองสามปีแล้วล่ะแต่หลวงพ่อก็เออเ อ, อเพราะ่าหลวงพ่อ ก, กำลังมีการก่อสร้างในในหลายหลายหลา ย, หลายอย่างให้ช่วงที่หลังๆมานะ เ, ออเงินมันก็ยอ่อแย บ, ยบแต่ปีนี้เขาเขามาขออีกหลวงพ่อก็บอกจะจะได้ใช้เท่าไหร่จริงจะพอเขาบอกว่าได้ประมาณชักล้านห้า ถ้าได้ล้านห้จะพอหลวงพ่อก็ตกลงเออเอาแต่ล้าน5้าหลวงพ่อจะหาให้จ ะ, จะช่วยนะแต่นี้ก็เขาก็ลงมือเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปแล้วหลวงพ่อก็ได้โอนปัจจัยให้เขาไป 800,000 บาทที่แรกนะแต่ไปวันนี้แหละคงจะโอนไปให้เขาอีกไปดูแล้วก็คงจะโอนไปให้เขาอีกเ0 0ดแสนะอันนี้ก็คือเป็นค่าโรงเรียนรวมแล้วก็เป็นล้านห้าล้านห้าแสน อันนี้ก็คือสำหรับโรงเลี้ยงอาหารเด็กที่โรงเรียนบ้านน้องสูงนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่พอชันจังหันอยู่ที่อำเภอหนองสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อนั่งรถมานะมาแยังไม่ถึงวัดนะมาก็มาจะมกพักค้างที่วัดท่านยงอำเภอเอรา ว, วัณจังหวัดเลยนะมาพักค้างที่นี่ก่อน แล้ะก็วันพวกในเช้าวันที่14หลวงพ่อจะไปฉันอยู่ที่โลงโมหินต้อยติ่งนะของโยมต้อยนะที่เขาสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเขาจะทําบุญหลวงพ่อรับไว้แต่โนมนานแล้วละ่ะตั้งแต่ท่านเลืเลื่มสร้างสร้างบ้านเขาก็ได้มนแต่หลวงพ่อก็เออเ อ, อ, เ อ, อพอมาปีนี้ท่านก็เอาจริงจังว่าขอเป็นวันที่14หลวงพ่อก็เอารับที่รับจะไป ท่า้พอจะมาที่วัดเลยก็ยังไงก็เลยไปพักที่วัดของวัดทันโยงก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าวันที่14น ะ, ะไปฉันที่นั่นพ่อไปฉันที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านี้ <c oughs> จะเลียบมาเนี่ยลงมามาโรงเรียนบ้านหัวช้างทนะเพราะว่าตามไม่จริงโรงเรียนบ้านหัวช้างเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ให้คุณสมบัติเฉลิมวุฒนานที่ถวายถวาย สร้างพระเจดีย์ของหลงตาเนี่ยล้านบาทอันนันคนคนนี้ละเ อ, อมากับคณะมากับหกกลุ่มนายทาหารมาประมาณสัก30กว่าคนมั้งจะมามอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหัวช้างเออนี่แหละหลวงพ่อก็จะได้รีบมาเ อ, อมาเพราฉันจะหันสิแล้วหลวงพ่ อ, องคงจะมาพบกันตอนบ่ายที่โรงเรียนบ้านหัวช้างนะ เอาโรงเรียนบ้านหัวช้างเนี่ยรวมทั้งเกอี้ด้วยทั้งโรงเรียนด้วยเกือบหมดไป5ล้านนะลูกหลานนะคณะตัดทา ย, ยาิโยมแต่หลวงพ่อเองเ อ, อ, อาคารไม้ที่เขาเลื่อลงมาเขาก็ทำปิดอีกหลังคาหนึ่งพ่อโรงเรียนยังไม่พอใช้นะก็หลวงพ่อก็ได้มุงหลังคาให้เขาแสนกว่าบาทแต่นี้ยังมีค่าเพดานแล้วก็ค่าไฟค่าพัดลมค่าสีอกีก เขาขอขนงพ่ออีกส0 0แสนหลวงพ่อก็อเอาสอง0สนกับส0 0 0 0น 2, วาก็ให้เขาไปอีกตอนนี้หลวงพ่อลงไปกรุงเทพเมื่อข่าวทีแล้วนะหลวงพ่อก็เลยไปเจอกับเจ้าของเขาเจ้าของผู้ถวายหลนะ้านเนี่ยแต่วายสร้างอาคารนะ่ยหลวงพ่อก็เล่าเลาให้เขาฟังเอออาคารไม้นะ่ะที่รือลงมาเนะ่ยหลวงพ่อก็ได้ช่วยเขาไปนะสองแสนเพื่อเป็นค่า เพดานคาบไฟฆ้าสีเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่านั้นคุหลวงพ่อผมรับเองกันแล้วกันนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เออหลวงพ่อก็เลยเมิ้ลได้จ่ายเงินสองแสนอีกว่างั้นเพราะเพราะเจ้าภาพเขารับไปอีกคนไปหลวงพ่อก็เลยได้จ่ายแต่แสนกวาดสังกสีกับฆ่ามุงว่างั้นนี่แหละนี่แหละคณะสตาญาติโยมลูกหลานที่หลวงพ่อเล่าเล่าให้ฟังนี่น่ะ จะตุปัจจัยที่หลวงพ่อได้มานะ่ยแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไว้ในวัดของเราแห่งเดียวอย่างมาอย่างวันนี้ละ่ะก็จะตุปัจจัยของวัดนั่นแหละก็มาช่วยวัดช่วยช่วกด้วยนะประมาณ 10,000 แบาทวันนี้ถว า, ายท่านไป 10,000 แบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ท่านหน่อยก็ได้ไปช่วยงานวัดเราทั้งปี2ปีเลยนะ เรียกท่านหน่อยไปดูอาจารย์นหน่อยไปดูงานที่วัดเราไปช่วยงานที่วัดเราท่านหน่อยก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่นะแต่หลวงพ่อก็ยังดูอีกอยู่ว่าถ้าหว่ามีความมิค่าใช้จ่ายอย่างไรถ้าหว่าท่านหน่อยสร้างที่นี่ทั้งยังไม่เสร็จนะหลวงพ่อก็คงจะได้มองมองอีกเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่คงจะไม่ปล่อยปะละเลยเพราะว่าหลวงพ่อทางนู้นก็ให้หยุดซะก่อนในพรรษาแล้วก็พร้อมกันนี่วัดหลวงพ่อเลืองนี่ที่นั่งอยู่ใกล้วัด ข้างซ้ายของหลวงพ่อนี่วัดป่าลุบเหล่าตัวนี้หลวงพ่อก็ใช้จะตุปัจจัยไปมากพอสมควรอยู่สร้างศาลาขึ้นมาหลังหนึ่งแต่ตามไม่จริงท่านเลืองอาจารย์เลืองเนี่ยพระ อ, อาจารย์เลืองเนี่ยอยู่องค์เดียวตัวทำหลังเล็กๆหลังเล็กๆก็ได้แต่ทีนี้ที่ดินแปลงนี้ที่ลบเหล่าเนี่ยหลวงพ่อเป็นผู้มาริเริ่มมาจับที่ดินไว้แต่ทีแรกทีแรกเลยนะ จนขออนุญาตจนเน่เป็นขออนุญาต15ไร่เป็นเป็นวัดขึ้นมาแต่ถ้าว่าไม่มีถาวรวัตถุอะไรเลยขึ้นมาต่อไปภายภาคหน้าพวกป่าไม้เขาคงจะยึดเป็น ท, ที่ป่าไม้ของเขาเพราะว่าพระไม่อยู่หลวงพ่อเอือร์นหน้าแต่มีศาลาและก็มีพระพุทธปฏิ ม, มาก็เลยสร้างรพร ะ, ระพุทธรูปขึ้นมาอีกนะเออพระพุทธรูปหินนะ เมตรห้าสิบนะองค์บากใหญ่นะหินดำแล้วก็พร้อมกับภาษาพวกอีกราคาเกโน่นหลับจะพาพระพุทธโรกพันล้านห้าแล้วภาษาพวกก็4ี่แสนกว่าภาษาพวกอีกห้าแสนนะรวมแล้วก็เป็นหลายเงินอยู่เหมือนกันรวมทั้งสาลา ด, ด้วยก็นับเข้าไปเก็เป็น3ามสี่ล้านบาทนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังหลวงพ่อเองก็ยังจะคิดทารางน้า ทางลามหลังน้ําฝนและถังน้ําฝนให้อีกเพื่อจะให้สมบูรณ์แต่จากนั้นก็ศาลาวัดป่าสมประสงค์ของท่านทวีปอีกเนะ่ยเดี๋ยวนี้กำลังหลังคาแล้วอันนั้นหลังนั้นก็หมดไปให้เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ให้ไปล้านหนึ่งแต่ขึ้นมาเพียงได้เพียงหลงนะังคาต่อไปก็คงจะทํารางน้ําและถังน้ําคงจะปูพื้นคงจะมีพระพุทธรูปอะไรขึ้นมาแบบให้สมบูรณ์อันนี้ก็คือหลังหนึ่ง อีกหลังหนึ่งก็วัดท่านเจ้ยท่านเจ้ยก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วนี่นะ อ, อยู่ทางโน้นแหะทางอำเภอนาวังอันนั้นก็ขึ้นได้โครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คงจะมีพระพุทธโลกพระพุทธโลกก็จะมาแล้อีกไม่นานนะ เ, เสียต้องไปสั่งมาจากประเทศพามา่าองค์หนึ่งก็ถวายท่านวัดท่านรัตนะองค์หนึ่งก็จะถวายวัดท่านเจ้ย อ, อันนี้ก็เป็นพระพุทธโลกหินหินสีขาวก็เหมือนองค์นี้แหละแต่เป็นหินยกพามา่านะ ราคาก็สี่หแสนบาทนเนี่ยจะตุปใจของหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้ท่านหน่อยนั่นแหละเป็นผู้ดูแลเป็นผู้วางแผนว่าจะให้ทำอะไรบ้างเทพืนแล้วก็ปูกระเบื้องลักษณะอย่างนั้นแหล ะ, ะเพื่อให้ศาลาอีกสองหลังให้สมบูรณ์ขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ได้ใช้เสกคาถาเป่าฟูดฟาดอย่างที่ว่านั่นะจะตุปัจวัดของเราเน่นที่ได้มา แต่เวลาได้มาเนี่เป็นเงินผ้าป่าเท่าไรเงินกระถินเท่าไหรพวกเราก็รู้ว่าเงินเข้าวัดป่าบ้านน้อยเนยสยโยหิวสยโยหิว เ, เสียงสนั่นวันไหวเข้ามาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแต่เวลามันออกไปนะมันไม่ได้ออกไปแบบสยโยหิวนี่ยมล้มมแลมมล้มมาแล ม, ล ม, มแล <laughs> ไม่รู้ออกทางไหนมากดูดูแล้วบัญชีมันจะมีมีตัวสีแดงขึ้นมาอีกต่างหากนะ่ะ นี่แหละคณะรัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานเนะอะค่าใช้จ่ายแล้วกับการเป็นอยู่ของหลวงพ่อนะท่าหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกหลานฟังคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมฟังลุจัตยาญาติโยมก็คงจะเข้าใจว่าโอ้หลวงพ่ อ, องคงจะเก็บไว้แต่ก็เก็บไว้อยู่นะไม่ใช่มาเก็บเก็บไว้อยู่เก็บไว้เพื่ออะไรหลวงพ่อกนะ็ออบอกสัตยา ญ, ญาติโยมว่าเก็บไว้เพื่อจะสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตา พอหลวงพ่อนี่ได้ประกาศไปแล้วว่าหลวงพ่อเนี่ยรับภาระรับที่จะสร้างเจดีย์องค์หลวงตามหาบัวกับคณะสัทายาญาติโยมกลุ่มกลุ่มของวัดนาคำน้อยเนี่ยรับไว้50ล้านบาทนะพอถึงวันนั้นแล้วถ้าได้สร้างพระเจดีย์จริงพวกเราคณะสัทายาญาติโยมก็คงจะช่วยๆกันรวบรวมจจตุปัจจัย แต่พูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็เก็บหอมหลอมริบไปทีละน้อยเดีวน้อยอย่างนี้แหะ เ, เพื่อไม่ให้คณะสัตยาธิโยมหนักใจในในเมื่อถึงข่าวประกาศนะก็ว่ถึงอย่างน้อยก็ให้พวกเรารวบรวมจะตุวปัจจัยด้วยความสบายใจอย่างนั้นเถิดด้วยตับด้วยความทำด้วยความสบายใจไม่ต้องทกใจในการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นหลวงพ่อเอง ถึงจะประกาศไปแล้วหนะลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจในการประกาศประกาศไปแล้วนั้นนะและก็พร้อมกันที่หลวงพ่อพูดให้คณะสัตยาญาติโยมฟังสัทยาญาติโยมก็ไม่ต้องหนักใจกับเรื่องการประกาศของหลวงพ่อไปแล้วนั้นนะทด้วยความสบายใจเพราะเราไม่ได้เน้นหนักเรื่องทาง่านทางด้านวัตถุนะเราเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่าให้ตั้งอกตั้งใจภาวนานะลูกลาน้า คณะสัตยา ญ, ญาติโยมเนอะให้สั่งสมบุญกุศลแต่เรื่องทานก็ไม่ควรประมาทเพราะอา น, นิสง์ในการทำทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากพออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่ฝืดไม่เครืองเพราะอเ น, นสง์ทานของเราเกื้อกูลห น, นุนเพราะนั้นเรื่องทานข้ายตั้งอยู่ในความประมาทก็ควรจะทำไปแต่ก็ไม่ให้หนักใจเรื่องทานาก็เหมือนกับเปลือกนะ Rain, เรื่องศีลพวกเราต้องรักษาเหมือนกับมอกมอกของต้นไม้ภาวนาเหมือนกับแก่นแก่นของต้นไม้แต่เราต้องการปลูกไม้ขึ้นมาเพื่อต้องการแก่นนี่แหละเมื่อต้องการเป็นเราจะเอาแก่นไปปลูกเอาแก่นต้นไม้ไปปลูกเลยมันก็ไม่เป็นเออเอาแต่แก่นต้นไม้ไปปลูกขึ้นมามันก็ไม่เป็นมันก็เท่านั้นแหละได้เท่าแก่นเพือเอจะผูอีกต่างหากเราต้องปลูกเมล็ดเมล็ดมัน แล้เมื่อปลูกเมล็ดขึ้นมาแล้วก็เออมันก็เป็นต้นขึ้นมามันก็ต้องมีเปลือกเสีก่อนแล้วก็เปลือกเปลือกก็สร้างกะพิสร้างหมอกของมันพอสร้างหมอกคนหมอกก็สร้างแก่นนะมันต่อไปอย่างนั้นนะนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเออทานเป็นเครื่องเกื้อกูลห น, หนุนสินเมื่อพวกเรามีอยู่มีกินแล้วก็รักษาศินท่างว่าพวกเราหิวโอยอยู่นะเออเหมือนกับเปรดนะหิวอยากอยู่ตลอดท้องก็ยังไม่อิ่ม จะรักษาศินได้อย่างไรใช่ไหมล่ะ เ, เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอยู่มีกินพอสมควรในเมื่อมีอยู่มีกินมีฐานะพอสมควรเออคิดรักษาศินไปซะไหนพอรักษาศินจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจร่างกายของเรามีอยู่มีกินแล้วนะ่ะเราก็ภาวนาภาวนาจิตใจก็จะได้รับความสงบเยือกเย็นนะจากนั้นก็ดูกิเลสราคะโทสะโภหกของเรา เราก็ถอดถอนกิเลสทีละเล็กทีละน้อยจนถึงเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่แหละอันนี้สงสานศีลภาวนานะพวกเราเกิดมาได้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องศีลธรรมให้กับพวกเราให้พวกเราฝังไว้ในลูกหลานนะแต่จากนั้นก็ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี อย่างที่ว่านั่นะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนยําแล้วยับอีกนะเพราะเหตุไรเพราะพวกเราท่าว่าตายแล้วสูญนะพวกเรากไ็ไม่รู้จะทำความดีไปเพื่ออะไรนะแต่ตามไม่จริงไม่สูญนะให้ศึกษาดูก็แล้วกั น, นตัวนมามธรรมตัวตัวผู้รู้คือใจตัวนั้นไม่สูญศู์แต่ร่างกายร่างกายนี่ยสูญแน่เผาไฟทิ้งแน่เหมือนกับรถรถถ้าเราใช้ไปนาน ใช้ไป9ปีสิปีมันเกิดเป็นเศษเหล็กแต่วิ่งไม่รู้จักหยุดนะพอเป็นเศษเหล็กโซเฟอร์มันยังมียุทธ์เลโซเฟอร์ไม่ซื่อไม่ใช่โซเฟอร์อยู่ในรถเน๊โซเฟอร์ก็ต้องออกมาจากรถเน่ยเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถพอรถมันพังแล้วเถอรถมันหมดสภาพมันพังแล้วโซเฟอร์ก็ออกจากรถต่อพอโซเฟอร์ออกจากรถเถอนี่ถ้าหาว่าโซเฟอร์มีแต่ขี่รถตะลอนตะลอนไปหากินเหล้าเมายาไม่ได้ทํา ไม่คิดทำมาค้าขายเลยนะไม่ไม่คิดหาเงินเลยนะมีแต่เมาเล่าวันล้าน้าอยู่ตลอดมีแต่ทาความชั่วอยู่ตลอดนะออพอรถคันนี้พังแล้วก่อนนั่นแหะโซเฟอร์ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเพราะตัวเองไม่ได้คิดวางแผนอนาคตเอาไว้โซเฟอร์น่ดูซิโซเฟอร์นะรนะ่จะเป็นยังไงกับจนลูกเดียวผลี่สุดไม่มีรถขี่ต่างหากไม่ปีรถขี่อะไรไปเป็นเปรตนะ่น ไปตกนรกไปเป็นเปลตืตต่างๆหากนะเพราะฉะนั้นพวกเราในพระพุทธศาสนารถคันนี้จะใช้ไปนานเท่าไหร่นะอย่างหลวงพ่ออินของพวกเราท่านทั้งหลายที่กําลังพูดอายุอายุเจ็ดสิปีใช้รถมา72ปีแล้วนะลูกหลานนะและจะใช้ไปนานอีกสักเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบนะแต่เมื่อรถคันนี้พังไป หลวงพ่ออินก็ออกจากร่างแล้วแต่ออกจากร่างหลวงพ่อเขามั่นใจในตัวเองว่าได้ประกอบคุณงามความดีมาโดยสม่ำเสมอตั้งแต่อายุ10กว่าปีที่รู้ผ่าสเสียงสาภาวะได้บวชเป็นสมัมมาณีมาตั้งแต่อายุ11ย่าง12ปีจนปีนี้72ปีใช้ชีวิตที่เป็นนักพจนนักบวชบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลมาโดยสม่ำเสมอตั้งแต่อายุ10กว่าปีเป็นพระ เป็นเน้นกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานมาโดยตลอดนะเออเป็น เ, เป็นพระเลาพรรษาเป็นสมณะอีก8ปีนะเออแพรนษารวมดูสิเป็น59ปีอายุ72ฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา59ปี น, ะนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อนะคณะสหายาติโยมหลวงพอมองมองด้านหลังของหลวงพ่อหลวงพ่อภาคภูมิใจนะ ได้ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดและสำบันเสมอมาจนถึงวันนี้ละ่ะพ่อพะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทกท่านนะการประกอบคุณงามความดีมันภาคภูมิใจนะหลวงพ่อเนี่ยถามเราิโอ้ยหลวงพ่ออินหลวงพ่อไม่ได้เป็นฆราวาสญาติโยมไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้มีความสุขแบบฆราวาดแต่หลวงพ่อ เ, เป็นยังไงมีความ เ, เสียใจไหม ถ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพ่อไม่มีความเสียใจแม้ตต่น่อยเดียวหลวงพ่อมีแต่ความภาคภูมิใจในชีวิตของเราเพราะเราเกิดมาแล้วไม่ได้ทำความชั่วเสียหายไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนมีแต่ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยสม่าเสมอเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อเองภาคภูมิใจในชีวิตของตนเองที่ได้บาเพ็ญบุญกุศลมา นี่และคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อก็คิดว่าถ้าว่าพวกเราประกอบคุณงามความดีพวกเราก็ค้นึกย้อนหลังดูพวกเราก็คงจะภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดีนะั่นถ้าว่าทำเราทําแต่ความเสียหายนะทำความแต่ทําแต่คำชัว่วไม่ได้ประกอบคุณงามความดีแต่พวกเรานึกย้อนหลังพวกเราจะโ อ, อ, อ้ถ้าเราตายออกไปเนี่ยตายขนาดนี้เราจะไปไหนนาะเนี่ย เราจะได้คิดนะพี่ตกกังวลในจิตใจทําให้จิตใจของเราว้าเวีอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเอเมื่อพวกเราได้พบพระธรรมคําสอนได้พบพระพุทธศาสนาให้ประกอบคุณงามความดีอย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอดนะนันทินะ่าพวกเราได้มาร่วมกัน สร้างบุญสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามมขีในวันนี้เราก็ได้จตุปใจตั้ง5แสนกว่าบาท5้า2 2นแงกบาท50สสตังค์ไม่ใช่น้อยนะเศรษฐกิจบ้านเมืองขนาดนี้นะเป็นอย่างนี้อย่างพวกเราเห็นนั่นะเศรษฐกิจทุกวันนี้อยู่ที่ใดก็คล้ายๆก็บฝืดเพราะสินค้ากไดีการส่งออก ในประเทศนอกประเทศก็ดีรู้สึกว่าเศรษฐกิจของเราฟืดในช่วงนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถึงยังไงฟืดยังไงพวกเราก็ยังมีจิตศรัทธาได้รวบรวมจิตุปัจจัยได้ขนาดนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นประธานส่งจึงขอ ข, บขอบคุณและขออนุอนโมทนาจา ก, กจิตใจพวกเราที่เป็นกุศลที่ได้ร่วมกันถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนาพวกเรามอง มองส่วนรวมมองส่วนกลางแล้วก็เสียสละทรัพย์เพื่อสร้างเสนาจนะที่พักพาอาศัยสำหรับพวกเราจะได้ปพึปติปฏิบัติธรรมนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอในะตอนนีนะ